นเขตแดนแห่งนครราชครื้มีบ้านพระมูหนึ่งนายบ้านชื่อกัปปิละมีบุตรคนหนึ่งชื่อปิผลิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัสปะตามชื่อโคตคือกัสปะโคตปิผลิมานพมีพันยาคนหนึ่งชื่อพัฒกาปิลานีทั้งสองแม้แต่งงานกันแล้วก็มิได้อยู่ด้วยกันอย่างสามีพันยาคู่อื่นๆแต่อยู่ด้วยกันอย่างพี่น้อง เมื่อมานดาบิดาของปิดผลิมานพสิ้นชีพแล้วสามีพัญญาทั้งสองเห็นว่าผู้อยู่ครองเรือนต้องคอยรับบาปเพราะการงานที่ผู้อื่นทำไม่ดีกล่าวคือต้องคอยรับผิดชอบมิจิตเบื่อหน่ายเนื่องจากบารมีอันท่านทั้งสองสั่งสมมาดีแล้วคอยกระตุ้นเตือนชักนำจึงชวนกันละทรัพสมบัติออกบวชจำศีลวันหนึ่งปิดผลิได้พบพระาศาสดาประทับอยู่ที่ใต้ร่มไทร ชื่อพระหุปุตตกะนิโครธระหว่างกรุงราชคลืกลับเมืองนาลันธามีความเลื่อมใสเปร่งวาจาประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นาศาสดาของตนตนเป็นสาวกของพระาศาสดาขอบวชในธรรมวินยัยพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุและทรงประทานพระโอวาสามข้อดังนี้หนึ่งกส ป, ปะท่านพึงศึกษาว่าเราจเข้าไปตั้งเฮริโอตปะไว ในภิกษุที่เป็นผู้เท่าและปูนกลางไว้อย่างแรงกล้า 2. เมื่อฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกุศลเราจักฟังธรรมนั้นด้วยความตั้งอกตั้งใจพิจารณาเนื้อความของธรรมนั้น 3. เราจักไม่ละสติพิจารณากายคือพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยงามมีความปฏิกูลมากมายท่านฟังพระพุทธองค์นี้แล้วใส่ใจปฏิบัติตาม ได้สำเร็จอรหัตผลในวันที่เจ็ดท่านเป็นผู้มีปฏิปทาขัดเกลาสันโดษได้รับยกย่องจากพระศาสดาในคุณธรรมนี้ตรัสสอนให้พิสุ์ทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างดังเรื่องราวต่อไปนี้<ว>นครั้งหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่นะเมืองสาวัตถีตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายกส ป, ปะเป็นผู้สันโดษโดยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลานภัสัตว์เมื่อได้ก็ไม่หมกมุ่นติดใจมองเห็นโทษมีปัญญาคิดจะสลัดออกเมื่อไม่ได้ก็ไม่เสียใจน้อยใจไม่เดือดร้อนนอกจากนี้กส ป, ปะยังกล่าวสันเสริญคุณแห่งความสันโดษนั้นด้วย พระศาสดาทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายเอาอย่างพระมหากระสปะในเรื่องนี้และยกย่องอีกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้มีจิตเช่นเดียวกับกระสปะคือชักกายชักใจออกห่างจากตระกูลไม่ขนองกายและวาจาในตระกูลประพฤติตนเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดไม่คุ้นเคยเกินไปอุปมาเหมือนดวงจันทร์อันหนึ่งภิกษุพึงชักกายชักจิตออกห่างจากตระกูล มองดูตระกูลเป็นสิ่งน่าหวาเสียวเหมือนบุคคลมองดูบ่อน้ำที่ชํำรถภูเขาขาดและลมเลนต่างๆพิสุทั้งหลายเมื่อกระสปะเข้าสู่ตระกูลจิตของเธอไม่ได้ติดข้องในตระกูลเธอมีใจอันเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีว่าผู้มุ่งลาบจงได้ลาบผู้มุ่งบุญจงทาบุญพิษุทั้งหลายภิกษุใดแสดงธรรมด้วยคิดว่าฉันไหนหนอเขาพึงฟังธรรมของเรา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 จึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอาศัยความกรุณาความเอ็นดูและน้ำใจอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมธรรมเทศนาของพิสูุเช่นนั้นบริสุทธิ์พิสูจทั้งหลายกสปะมีจิตเช่นนี้มีความรู้สึกเช่นนี้จึงแสดงธรรมอันหนึ่งพิสษุทั้งหลายภิกษุใดเข้าตระกูลด้วยคิดว่าเขาจงให้เราจงให้ให้มากจงให้เร็วๆอย่าช้าจงให้โดยเคารพ หากเขาไม่ให้เป็นต้นพิกษุนั้นย่อมไม่พอใจเธอย่อมเกิดทุกโทมนัดเพราะเหตุนั้นภิกษุเช่นนั้นไม่ควรเข้าสู่ตระกูลส่วนภิกษุใดไม่ได้คิดเช่นนั้นเธอย่อมไม่มีทุกโทมนัดควรเข้าสู่ตระกูลได้พิกษุทั้งหลายกสปะเมื่อเข้าสู่ตระกูลไม่ได้คิดเลยว่าขอเขาจงให้เราเขาจงให้มากๆเร็วๆกสปะไม่มีทุกโทมนัด พิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติอย่างกัสปะอีกคราวหนึ่งที่เวรุวันนี้เองพระมหากัสปะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะวังสกุลจีวรซึ่งเป็นผ้าป่านี้เก่ามากแล้วและหนักหนักเธอเองก็แก่แล้วเพราะฉะนั้นจงใช้จีวรที่ขหบดีเขาถวายบ้างฉันอาหารที่เขานิมนต์บ้างอยู่ในที่ใกล้ราตถาคตบ้าง พระมหากสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ถือบางสกุลจีวรถือบินธบาศและการอยู่ป่าเป็นต้นมานานแล้วและกล่าวสรรเสริญการประพฤติเช่นนั้นอยู่เสมอพระาศาสดาตรัสถามว่ากส ป, ปะเธอเห็นอํานาจประโยชน์อย่างไรจึงประพฤตเช่นนั้นข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ประพฤติเช่นนั้นเพราะเห็นประโยชนสองประการคือเพื่ออยู่เป็นสุขของข้าพระองค์เองในปัจจุบันประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเพื่อปชิมาชนตาชนทั้งหลายหรือคนรุ่นหลังจักได้ถือเป็นทิฏฐานุคติดำเนินตามว่าดูเถิดพุทธานุพุทธสาวกทั้งหลายในอดีตได้เป็นผู้ทรงบางสุกุลจีวรถืออาหารบิณฑบาตและอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแล้วจักดำเนินตามข้าพระองค์ข้าพระองค์เห็นอานาจประโยชน์ดังนี้แหละจึงประพฤติเช่นนี้ตลอดกาลนาน ที่เวรุวันนี้เองวันหนึ่งพระมาหากัสปะเข้าเฝ้าพระาศาสดารับสั่งให้ท่านโอวาทสั่งสอนพิสุตท่านกราบทูลว่าบัดนี้พิสุตทั้งหลายเป็นคนว่ายากประกอบด้วยธรรมอันทำให้เป็นคนว่ายากมีความมากมากในลาบเป็นต้นพระาศาสดาตรัสว่าจริงทีเดียวกัสปะจริงอย่างที่เธอกล่าวเมื่อก่อนนี้พิสูที่เป็นเถระมีการอยู่ป่าถือทุดงอบินธบาศ บางสกุลจีวรผ้าสามผืนมีความปราถนาน้อยสันโดษพอใจในวิเวกไม่คลุกคลีในหมูคณะมีความเพียรสม่ำเสมอและสันเสริญคุณความเป็นผู้อยู่ป่าและสันโดษเป็นต้นนั้นพิสษุ์เช่นนั้นยอมได้รับการยกย่องจากพิสูจน์ทั้งหลายแม้ที่เป็นเถระแต่มาบัดนี้พิสูจ์ทั้งหลายที่เป็นเถระพากันทอดทิ้งคุณธรรมอันนั้นเสีย ไม่อยู่ป่าเป็นปกติไม่ถือบินธบาศไม่ถือบังสุกุลจีวรไม่ถือผ้าสามผืนไม่เป็นคนปราถนาน้อยไม่สันโดษไม่ชอบวิเวกชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่มีความเพียรสม่ำเสมอพิษุใดมีชื่อเสียงร่ำรวยลาบสการะมียศพิสุเช่นนั้นได้รับการยกย่องจากพิสุทั้งหลายแม้ที่เป็นเถระพิสุที่เป็นเถระก็เชื้อเชิญเขาด้วยอาสนะ สรรเสริญยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้เจริญดูกรกษปะเมื่อจะกล่าวโดยชอบในบัทนี้ก็ควรจะกล่าวว่าเพื่อนพรหมจันทร์ถูกปทุสร้ายโดยอุปทวะจากเพื่อนพรหมจันทร์นั่นเองอีกคราวหนึ่งพระาศาสดาประทับณสาวัถีตรัสยกย่องพระมหากรกษปะว่า มีวิหารธรรมเสมอด้วยพระองค์คือพระองค์เองจำนองอยู่สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าสู่ชานสี่และชานแปดได้อย่างไรมหกษสปะก็ทำได้อย่างนั้นพระองค์ทรงสามารถเรื่องการแสดงฤทธิ์ต่างๆทรงระลึกชาติได้มีทิพโสตทิทพจักษุอย่างไรทรงสิ้นอาสวะอย่างไรพระมหากษสปะก็สามารถอย่างนั้นฉะนั้นในบางครั้ง จึงทรงเอาสังขติของพระมหากัสสปะมาทรงใช้เองและประทานสังขติของพระองค์แก่พระมหากัสสปะอีกครั้งหนึ่งเมื่อพักอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระอานนท์อาราธนาพระมหากัสสปะให้โอวาทพิษุณีณนะสำนักพิษุนีท่านปฏิเสธถึงสองครั้งเพราะท่านชอบความสงัดไม่ต้องการคลุกคลีด้วยหมู่คณะท่านบอกพระอนนท์ว่าไปเถิดอนนท์ เธอเป็นคนมีกิจมากมีธุระมากเมื่อพระอา น, นุ์อ้อนวอนเป็นครั้งที่สามท่านจึงยอมไปเมื่อโอวาทพิษุนีเสร็จแล้วจากไปแล้วพิษุนีรูปหนึ่งชื่อธุรติสาไม่พอใจในโอวาทของพระมหากระสปะได้กล่าวออกมาว่าอะไรกันท่านกระสปะกล้ากล่าวทมต่อนหน้าเวเทหา ม, มุนีเช่นพระ อ, อ น, นุ์เหมือนพ่อขาขายเข็ม สเสนอเข็มขายแก่นายช่างผู้ทำเข็มผู้ฉลาดช่างหน้าหัวเราะพระมหากษัะทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวกับพระอนุน์ว่าอานอนุ์ระหว่างเราและเธอนั้นใครเป็นช่างทาเข็มใครเป็นพ่อค้าขายเข็มกันแน่แล้วท่านก็กล่าวถึงข้อที่พระาศาสดาทรงยกย่องท่านเพียงใดพระอนอนุ์ขอโทษพระมหากษัะแทนภิษุณีผู้โง่เขลานั้นว่า ขอท่านได้โปรดยกโทษเถิดผู้หญิงมักเป็นคนเบาความเสมอพระมหากัสสปะนั้นมีความสนิทสนมกับพระอนุนเป็นพิเศษท่านมีเมตตากรุณาต่อพระอ น, นุนพระหนึ่งบุตรของท่านแม้พระอนุนจะมีอายุล่วงมชิมวัยมีเกษาหงอกแล้วท่านก็ยังเรียกพระอ น, นุนโดยกุมารกะวาทะหรือเรียกว่าเด็กน้อยอยู่เสมอบังเกิดพิษุนีรูปหนึ่งชื่อ ธุระนันธาได้ยินคํานั้นเข้าจึงติเตียนท่านว่าเรียกพระอานโนทโดยวาทะอันไม่สมควรเพราะพระอานนทเป็นเวเทหามุนีเธอติเตียนพระมหากรสปะว่าเหมือนเคยเป็นเดียรถีมาก่อนพระมหากรสปะทราบความ น, นั้นจึงเล่าเรื่องแต่เบื้องหลังของท่านให้พระอานนทฟังว่าท่านคิดอย่างไรจึงบวชได้พบพระาศาสดาอย่างไรโดยในดังนี้อานนท ภิกษุณีชื่อถุรนันธาได้กล่าวคำออกไปโดยไม่ได้พิจารณาแล้วอานนท์จำเดิมแต่ข้าพเจ้าปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกบวชประพฤติตนเป็นอนาคาริกากมุนีมิได้อุทิศศาสดาองค์อื่นเลยนอกจากพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนข้าพเจ้าอยู่ครองเรือนมีความคิดเกิดขึ้นมาว่าคาวาสเป็นทางแคบ เป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสแต่บรรพชาเป็นทางว่างผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่ขัดแล้วนั้นทําได้ยากฉะไนหนอเราพึงออกจากเรือนประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนต่อมาข้าพเจ้าได้เอาผ้าเก่าๆ เ, เป็นผ้าหม่มออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกได้พบพระสาคยมุนีศาสดาที่พระหุบปุตตะเจดี ระหว่างเมืองราชคลืและนาลันธากัปเจ้าเลื่อมใสได้เข้าไปหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์ขอเป็นสาวกพระพุทธองค์ได้ประทานโอวาทแก่กัปเจ้าสามข้อคือหนึ่งให้เป็นผู้มีเฮริโอตปะอย่างแรงกล้าในภิกษุที่เป็นผู้ใหญ่ปานกลางและภิกษุใหม่ 2. เมื่อฟังธรรมที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งจงตั้งใจฟังด้วยดี ถือเอาสาระสำคัญให้ได้สต้องเป็นผู้ไม่ละไกคตาสติคือพิจารณากายโดยความเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกอานนท์ขปเจ้านั้นเป็นผู้มีหนี้บริโภคอาหารของชาวเมืองอยู่เพียงเจ็วันเท่านั้นพอวันที่8ปดก็ได้บรรลุอรหัตผลอานนท์คราวหนึ่งภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขปเจ้าได้ปูสังฆาติของขพเจ้าทาเป็นสีชั้น แล้วถุนอาราธนาให้พระาศาสดาประทับนั่งบนสังขตินั้นเพื่ออนุเคราะห์ ข, ข้าพเจ้าพระองค์ก็ประทับนั่งแล้วตรัสว่าสังาติของข้าพเจ้านุ่มดีข้าพเจ้าจึงเอ่ยวาจาถวายพระองค์พระองค์ทรงรับและทรงมอบสังขติผ้าป่านที่พระองค์ทรงใช้แล้วแก่ข้าพเจ้าพระาศาสดาและข้าพเจ้าได้เปลี่ยนสังาติกันใช้ด้วยประการอย่างนี้อานนท์ หากพึงกล่าวโดยชอบก็พึงจะกล่าวว่าขปเจ้านั้นเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระโอษคือธรรมเกิดแล้วจากธรรมอันธรรมสร้างขึ้นมาแล้วเป็นธรรมทายาทแห่งพระองค์ สมัยหนึ่งณเชตวรรวิหารพระมหากรสปะทูลถามพระาศาสดาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยเมื่อสิกขาบทยังน้อยภิสุททั้งหลายดำรงอยู่ในอรหัตคุณมากแต่เมื่อสิกขาบทบัญญัติมากขึ้นผู้ดำรงอยู่ในอรหัตคุณกลับน้อยลงพระาศาสดาตรัสว่าดูกรกระสปะเมื่อสัตว์กำลังเสื่อมสัตวธรรมกำลังอันตรธ า, านศิกขาบทแม้มาก ผู้ดำรงอยู่ในอรหัตคุณก็น้อยดูก่อนกสปะตราบใดที่สัตธรรมปฏิรูปคือทำปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกสัตธรรมแท้ก็ยังไม่อันต ร, รธานตราบนั้นเปรียบเหมือนเมื่อเงินปลอมยังไม่เกิดขึ้นเงินแท้ก็ยังไม่อันต ร, รธานดูกนกสปะอะไรอื่นเป็นต้นว่าปัทวีธาตหาทาให้พระสัตธรรมเสื่อมได้ไหม แตสิ่งที่ทําให้พระสัต ธ, ธรรมเสื่อมคือโมคบุรุษที่เกิดขึ้นในาศาสนานี้เองกสปะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความอันตราฐานแห่งพระสัต ธ, ธ ร, รมมีอยู่5ประการคือบริษัทธ์ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระาศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาและในสมาธิส่วนธรรมอีกหประการซึ่งมีในตรงกันข้ามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคง แห่งพระสัตว์ธรรมโดยแท้คราวหนึ่งพระมหากัะสปะพักอยู่ที่ถ้ำปิริพริเข้าฌานสมาบัติดูเจ็ดวันออกจากฌานในวันที่เจ็ดตรวจดูที่พิขาจาย์ด้วยทิพจักสุเพื่อสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ให้ได้บุญมากเห็นหญิงคนหนึ่งผู้เฝ้านาข้าวสาลีเก็บรวงข้าวสาลีแล้วทํเข้าตอกอยู่ท่านพิจารณาว่า หญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอทราบว่ามีศรัทธาและเมื่อให้อาหารแก่เราแล้วจักได้สมบัติมากดังนี้แล้วคมจีวรถือบาทไปยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสทราบซ่านไปด้วยปิติหประการขอร้องพระเถระให้ยืนรออยู่ก่อนรีบไปนํำข้าวตอกมาโดยเร็วใส่ลงในบาทของพระเถระแล้วไหว้ด้วยเบญจางขาปดิษฐ ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ดิฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วกล่าวคือขอให้ได้เห็นธรรมอย่างที่ท่านเห็นแล้วพระเถระกล่าวอนุโมทนาขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดดูก่อนท่านผู้แสวงธรรมคนสมัยก่อนนี้แม้เพียงเด็กหญิงเฝ้าไร่นาก็ยังปรารถนาการบรรลุธรรมถือการเอาบรรลุธรรมเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต กุลธิดานั้นไหว้พระเถระแล้วกลับไปพร้อมกับระลึกถึงทานที่ตนให้แล้วมือพิจตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงแห่งหนึ่งในระหว่างทางเมื่อกุลธิดามาถึงตรงนั้นมันออกจากโพรงตัดนางสิ้นชีวิตนางทากาลกิริยาด้วยจิตเลื่อมใสไปเกิดในวิมานทองในภพดาวดึงมีอัตภาพประดับประดาด้วยอลังการทั้งปวงประดุดบุคคลที่หลับแล้วตื่นขึ้น นางนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งยาว1ิบสองอกและห่มผ้าทิพย์อีกผืนหนึ่งมีนางอปสรจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานซึ่งประดับประดาด้วยขันทองคำที่เต็มไปด้วยข้าวตอกทองคำห้อยย้อยอยู่เพื่อประกาศบุพกรรมของตนมองดูสมบัติของตนแล้วใครครวญด้วยทิพจักษุว่าสมบัตินี้เราได้เพราะเหตุไรหนอเราทาอะไรหนอจึงได้สมบัติเห็นปานนี้รู้ว่า สมบัตินี้เราได้เพราะผลแห่งทานที่เราให้แล้วแก่พระมหากะสะเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราดูก่อนพระดาฐานที่บุคคลทำแล้วแก่พระผู้ออกจากฌานสมาบัติโดยเฉพาะนิโรธสมาบัติย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากและให้ผลในปัจจุบันนี้ทันทีนางคิดว่าเราทากรรมดีเพียงเล็กน้อยคือถวายข้าวต่อแก่พระเถระเพียงเล็กน้อย ยังได้สมบัติมากถึงปานนี้บัตรนี้เราไม่ควรประมาทเราควรปฏิบัติพระเถระเพื่อทำสมบัติของเราให้ถาวรคิดดังนี้แล้วจึงนําไม้กวาดซึ่งทำด้วยทองไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเถระตั้งน้าใช้น้าฉันไว้แล้วกลับสู่วิมานพระเถระเห็นบริเวณสะอาดเรียบร้อยและมีน้าใช้น้าฉันบริบูรณ์คิดว่าคงจะเป็นภิกษุหนุ่มหรือสามเณรมาทาไว ในวันที่สองก็เหมือนกันพอถึงวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดกระทบพื้นเห็นแสงสว่างแห่งสรีระลอดเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาดูและถามว่านั่นใครนางตอบว่าดิฉันเองอุปถายิกาของท่านชื่อลาชเทพธิดาอุปถายิกาของเราที่ชื่ออย่างนี้ไม่มีพระเถระพูด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 พระคุณเจ้าโปรดอย่าให้ดิฉันต้องพินาศเลยขอท่านจงให้โอกาสแก่ดิฉันเพื่อดิฉันจักได้ทำสมบัติให้ถาวรด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่าออกไปเสียเถิดเทพธิดาถ้าท่านทำอย่างนี้ต่อไปภายหน้าพระธรรมกะถึกผู้แสดงธรรมจะพึงตำหนิเราได้ว่าในว่าแม้พระมหากรสปะเถระก็ยังมีเทพธิดาตนหนึ่งมาปรนิบัติรับใช้ตั้งน้าฉันน้าใช้ไว้ให้ เทพธิดาตั้งแต่วันนี้ไปท่านอย่าได้มาที่นี่อีกเลยนางเทพธิดาคร่ำครวญอยู่ว่าพระคุณเจ้าอย่าให้ดิฉันต้องพินาศเลยแต่พระเถระไม่ยินยอมกล่าวเป็นเชิงตำหนิว่าท่านไม่รู้จักประมาณของตนนางไม่อาจทนอยู่ได้อีกจึงเหาะขึ้นอากาศประของอัญชลีคร่ำครวญอยู่ว่าพระคุณเจ้าอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วจิบหายเสีย ขอได้โปรดให้ดีฉันทำสมบัติให้ถาวรเถิดพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธูกุดีทรงสดับเสียงนั้นแล้วทรงแผ่พระสมีไปประทับนั่งตรัสอยู่เบื้องหน้าของเทพธิดาว่าเทพธิดาเอย๋ยการสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกษปตบุตรของเราส่วนการกําหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วทําบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญก็การทําบุญนั้น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 สมัยหนึ่งพระมหากระสปะและพระสาริบุตรอยู่ในป่าอิสิปตนะเขตเมืองพาราณสีพระสาริบุตรออกจากที่หลีเกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาพระมหากระสปะได้สนทนาปราศัยกันเกี่ยวกับเรื่องธรรมอันเป็นไปเพื่อพระนิพพานพระสาริบุตรกล่าวว่าท่านกะระสปะข้าพเจ้ากล่าวว่าผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต ย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตราสรู้ไม่ควรเพื่อบรุนิพพานไม่ควรบรุธรรมอันเป็นแดงเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริย่อมเป็นผู้ควรเพื่อตราสรู้เพื่อพันนิพพานเพื่อบรุธรรมเป็นแดงเกษมจากโยคะต่อจากนั้นพระสารีบุตรได้ถามพระมาหากระสปะว่าด้วยเหตุเพียงเท่าใด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 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดุกราสกัสปะเธอจงกล่าวสอนพิสูจทั้งหลายจงกระทำธรรมมีคถาแก่พิสูจทั้งหลายเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพิสูจทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทำธรรมมีคถาแก่พิสูจทั้งหลายท่านพระมหากัสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ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 ย่อมเสื่อมจากวันณนะจากมณฑลจากรัศมีจากความยาวและความกว้างในคืนหรือวันที่ผ่านมาชั้นใดบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีเฮริไม่มีโอตตะปะไม่มีความเพียรไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมาเป็นอันหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การที่บุคคลไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเป็นคนเกลียดคร้านปัญญาสามเป็นคนมักโกรธมีความผูกโกรธและการที่ไม่มีพิสุก่าวสอนนี้เป็นความเสื่อมโทรมอย่างแน่แท้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลบางคนมีศรัทธามีฮิริมีโอตปะมีความเพียรมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดวันหรือคืนของเขาที่ผ่านมา เป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยเปรียบเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นย่อมเปล่งปลั่งด้วยวันนะด้วยมนทนด้วยรัศมีด้วยความยาวและความกว้างในคืนหรือวันที่ผ่านมาชั้นใดบุคคลบางคนผู้มีศรัทธามีเฮริมีโอตตปะมีความเพียรมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผ่านมา เป็นอันหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลมีศรัทธามีฮิริมีโอตตะปั๊กมีความเพียรไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธและการที่พิสุกล่าวสอนนี้ไม่เป็นการเสื่อมโทรมเลยพระาศาสดาทรงอนุโมทนาคำของพระมหากรสปะ อีกครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชฤกษ์ครั้งนั้นแลท่านพระมหากสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกะกสปะเธอจงกล่าวสอนพิสุทั้งหลาย จงกระรทำธรรมีกถาแก่พิสุท์ทั้งหลายกรส ป, ปะเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพิสุทธทั้งหลายเราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแก่พิสุทั้งหลายท่านพระมหากสัสสปะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพิสุทธทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีโดยเคารพดุกร ะ, กระส ป, ปะก็เป็นความจริงอย่างนั้น ครั้งก่อนพิสูจทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจ er ีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย เป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรบรรดาพิสูจเหล่านั้นพิสูดใดเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด เป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปราถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นผู้สันโดษ และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัด จ, จากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัด จ, จากหมู่เป็นผู้ไม่ทุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่ทุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรพิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิมน์เธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอ ใกล้ต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งดุกะกสปะเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทำสการะอย่างนั้นภิกษุใหม่ๆพากันเห็นว่าทราบว่าภิกษุรูปที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ถือการเที่ยวบินธบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบางสุขุนเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย เป็นผู้สันโดษเป็นผู้ชอบสงังขจกักโมเป็นผู้ไม่พลุกคลีด้วยโมเป็นผู้ปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรทิ่สุทั้งหลายผู้เป็นเถระย่อมนิ ม, มนตเธอให้นั่งด้วยคําว่ามาเถิดทิกสุที่สุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใกล้ต่อการศึกษาแท้มาเถิดท่านนี้อสาานะนิ ม, มนท่านนั่งทิ่สุใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติตามของพวกเธอนั้นเป็นการอำนวยประโยชน์สุขชั่วการนานดุกะละกะสปะก็บัดนี้พิสูนทั้งหลายผู้เป็นเถระไม่เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัด และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดไม่เป็นผู้ถือการเที yani ่ยวบินทบาตเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือการบินธบาตเป็นวัดไม่เป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่เป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดไม่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรานาน้อยไม่เป็นผู้สันโดษและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษไม่เป็นผู้สังัดจากหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสังัดจจากหมู่ไม่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการไม่คุกคลีด้วยหมู่ไม่เป็นผู้ปารบความเพียรและไม่กล่าวสรเสริญคุณแห่งการปารบความเพียรบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใด เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศได้จีวรวินทบาทเสนาสะนะและขีฬานะปัจจัยเพสัชบริขารพวกภิกษุผู้เป็นเถระย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใคร่ต่อเพื่อนสัพพมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสะนะนิมนต์ท่านนั่งดลก ร, ะระกักสปะเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทาสการะอย่างนั้น พิษุใหม่ๆพากันคิดว่าทราบว่าพิกษุที่มีชื่อเสียงมียศได้กีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและกีฬานปัจจัยเพสัชบริขารพวกพิกษุผู้เป็นเถระพากันนิมนตเธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุพิษุรูปนี้ชื่อไรช่างรุ่งเรืองหนอใครต่อเพื่อนสัพพมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิษุนี้อาสะนะนิมนท่านนั่ง พิสูจใหม่ๆเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติตามของพวกเธอนั้นไม่อํานวยประโยชน์มีแต่ทุกข์ชั่วกาลนานดุก ร, รักกสปะบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายแห่งพรหมจรรย์เบียดเบียนเสียแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วดุก ร, รักกสปะ